เมื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัพทที่ควรทราบแล้วก็พอจะกล่าวถึงความหมายของนิพพานธาตุสองอย่างนี้ได้ดังนี้ 1. สัพปาทิเแสสนิพพานธาตแปลว่าภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับขันห้าได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ในเวลาที่เสวย อ, อารมณ์ต่างๆ รับรู้สุขทุกทางอินทรีย์ทั้งห้าหรือนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังเกี่ยวข้องกับขันห้าในกระบวนการรับรู้สเสวยอารมณ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานท่ามกลางกระบวนการรับรู้ทางปราษาทั้งห้าซึ่งเกี่ยวข้องกับขันห้าโดยฐานเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรับรู้นิพพานในข้อนี้เป็นด้านที่เพ่งถึงผลซึ่งปรากฏออกมาในการรับรู้